เป็นวันประสูตรตัดสรุธรรมและก็เป็นวันดับขันปรินิพานของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งคณะทศา ญ, ญาจโยมทุกท่านที่มาวัดก็ควรจะมีอย่างน้อยก็ควรจะมีศีลห้ามากกว่านั้นก็ควรจะมีศีลอุโบสถอุโบสถศีลเพราะนั้นขอให้ท่านผู้ขมกลับจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัย ติยันติตัตสมาสีลังวิโสธาเย่เอาวันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวปารบวันวิสาขาบูชาให้แก่คณะาาทาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพราะถ้าหากว่าพวกเราไม่พูดไม่กล่าวพูดที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจที่พูดที่เกิดมาก่อนแล้ว พูดเมื่อปีที่แล้วมาถึงปีนี้ก็คงจะหลงลืมแต่บางท่านบางคนก็ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนก็เป็นที่เข้าใจอันนั้นก็มีส่วนน้อยหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโมทนิยกถาเกี่ยวกับวันวิสาขาบูชาวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเป็นวันที่ประูุม ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะอุบัติขึ้นมาได้ในง่ายๆในศาสนาของพุทธะในพัฒกาบนี้พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ตั้งแต่กุกุสันโธโกนะคามโนกัจโปโคตโมอริยะเมตโยพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ไม่ใช่จะเกิดอุบัติขึ้นมาได้ไง่ายๆพอหมดยุคพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ก็เป็นว่างในระหว่างพระพุทธเจ้าเป็นโชค ว, ว่างอันนั้นกันยาวนานที่เดียวเพราะนั้นพวกเรานับว่าเป็นผู้โชคดีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะสุดท้ายปลายแดนจุดมั่นปลาย 2,500 กว่าปีแต่ว่าพระธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับคนมีปัญญา คนมีปัญญาย่อมหาซั์ได้คนมีปัญญาย่อมหารำได้หารรมาเข้าสู่จิตใจได้โลกนี้โลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกหาสวรรค์ใจตัวเองก็ได้หาความทุกข์ยากลำบากให้ตัวเองก็ได้หาคุกหาตารางใส่ตัวเองก็ได้หาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของพวกเราหาอย่างไรก็หาได้เพราะโลกนี้โลกหาได้ เพราะนั้นพวกเราจะหาอะไรพระพุทธเจ้าท่านมาอุบัติขึ้นในโลกคือวันนี้แหละเมื่อ 2,553 ปีให้หลังพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็ได้ตัดสรุธธรรมเมื่อท่านประสูติขึ้นมาแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญในยุคสมัยนั้นพวกทบิดาของพระ อ, องค์คือพระเจ้าจุธโทธนะพอ ลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ขนานนามจากนั้นขนานนามเสร็จแล้วก็ได้หาพราหมณ์มาดูปุริศาลักษณะพราหม์ทั้งหลายก็ทํานายทายทักว่าถ้าครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเป็นพระเจ้าเป็นนินใหญ่ปกครองแผ่นดินถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธาศาสนาเป็นาศาสนาเอกในโลก เนี่ยอันนี้ก็คือท่านเกิดขึ้นมาแล้วทำไมพวกพราหมณ์ท่านจึงได้ทำนายทายทักอย่างนั้นก็เพราะว่าพระพุทธองค์ได้บําเพ็ญมาแล้วไม่รู้ว่าสิกี่อสงไขยพอมาถึงพบนิชาตินี้เป็นผู้มีบุญบริบูรณ์เต็มเปียกจากนั้นทุกอย่างถ้าจะเปรียบเทียบ ว, ว่าโงเ่เฮงดีทั้งหมดว่างั้นถเถบริษัทลักษณะดีทั้งหมด เพราะเหตุไรเพราะว่าท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลมาแล้วในอดีตโง่เฮงที่จะดีขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าดีในชาตินี้เท่านั้นนะต้องสั่งสมบุญกุศลมาในอดีตชาติมาเกิดชาตินี้โง่เฮงจริงดีอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาของพระองค์มาในอดีตชาติมากมายมาเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์บริศาลักษณะของพระองค์ดีพร้อมหมดทุกอย่าง เพราะนั้นพวกเราจะมาเอาแต่บั้นปลายอย่างเดียวไม่ได้ต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้เราทานได้พบพระธรรมคำสอนได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยเกิดพพหน้าชาติหน้าหว ง, หงวเหงกราก็จะดีเพราะเหตุไรเพราะเราสั่งสมบุญกุศสลสืบเนื่องไปแต่ท้าว่าเราจะทาแต่กรรมชั่ว ทำใจกลัมไม่ดีเกิดพบหน้าชาติหน้าหัวเห้งของเราก็ไม่ดีบริษัลักษณะของเราก็ไม่ดีลักษณะของเราก็ไม่ดีเกิดก็เกิดวันไม่ดีเดือนไม่ดีปีไม่ดีทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราทํากลัมไม่ดีเอาไว้ในอดีตชาติเบื้องหลังเพราะฉะนั้นกรัมกรรมคือการกระทําของเรามันสืบเนื่องมันสืบเนื่องไม่ใช่ว่าเราจะไปตกแต่งเอาบั้นปลายทีเดียวไม่ใช่ เอ่มันต่อเนื่องเหมือนกับต้นไม้นะ่ะเวลาเราปลูกเราปลูกยังไงรักษายังไงมันก่อนที่จะเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าปลูกปรับขึ้นมาแล้วจะเป็นดอกเป็นผลเลยไม่ใช่เอเราต้องปลูกขึ้นมาแล้วก็ต้องทนุถนอมก่อนที่มันจะเป็นต้นไม้เป็นดอกเป็นผลขึ้นมาได้เห็นพะนั้นการสั่งสมบุญบา ร, รมีหรือว่าการสั่งสมบุญของพวกเราท่านทั้งหลายหรือพระพุทธเจ้าที่ท่านบําเพ็ญ ถึงเสียสงไข่กําไรแสนมหากรัปที่ท่านจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญมนโนมนานทีเดียวจึงได้ตัดสรู้ในเมื่อตัดสรุปเมื่อท่านได้เกิดขึ้นมาแล้วประสูติขึ้นมาแล้วท่านก็ได้ทําหน้าที่ของท่านดีที่สุดเมื่ออายุ29ปีบารมีมาถึงแล้วพร้อมที่จะออกไปทรงผนวดหรือบวชก็ไปอยู่ในป่าหรวงพงไพไปคิด ค้นคว้าศึกษาอยู่เป็นเวลาถึงหกปีจึงได้ตัดสู้ธรรมตัดสู้ในวันนี้แหละวันเดือนหกเพนที่โคลนต้นโพพุทธกายาประเทศอินเดียพวกเราไปก็จะได้รู้จะได้เห็นวันนี้ตรงที่พระพุทธเจ้าตรงที่พระพุทธเจ้าตัดสู้ธรรมวันเดือนหกเพนวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าประสบความสําเร็จในธรรมที่ท่านไปค้นคว้าศึกษา เ ร, ญญเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตเรื่องใจเพราะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งอย่างที่งพ่อได้ย้ําแล้วย้ําอีกกล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรในยุคนั้นสมัยนั้นคนทั้งหลายก็คงจะสงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสงสัยในยุคสมัยนี้แหละบาปปูนคุณโทษปีไหมตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเอ่ ตายแล้วสูญแล้วตายแล้วเกิดบาปปูนคุณโทษมีไหมทําไมคนเราตั้งเกิดขึ้นมามากวิญญาณนี้เกิดมาจากไหนยคุคนั้นสมัยนี้พวกเราก็มีความสงสัยไม่แพ้กันในยคุคนั้นพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อขี้คลายเพื่อจะให้ชี้แจงหาจุดนี้แหละเรื่องจิเรื่องจิตวิญญาณเรื่อง วิญญาณและวัตถุเรื่องแนวความคิดของคู่คนในยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ไปค้นคว้าศึกษาศึกษาแล้วศึกษาอีกค้นคว้าแล้วค้นคว้าอีกอยู่ที่โครนต้นโพเป็นเวลาหกปีศึกษาอยู่นั้นผลที่สุดวันนี้แหละเป็นวันสุดสําเร็จคือได้สําเร็จค้นคว้าศึกษาลงตัวได้ตัดสรุธรรำในวันตัสรุธรรมนั่นะ ในการบาเพ็ญหกปีนั้นถ้าเราเออกมาพูดเราก็ยืดยาว เ, าเหมือนกับท่านลองทดลองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นอ่ะอันนี้ท่านทดลองจิตศาสตร์เรื่องจิตวิญญาณท่านทดลองอย่างไรถ้าเราเอามาพูดอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมากมายแต่ว่าเราจะเอาย่นย่อเว่าสูตรสาเร็จที่วันที่ได้สาเร็จนั้นท่านทำอย่างไรเนี่ยท่านนั่งสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเออเวลานั่ง นายโสติยะวันนั้นตอนเย็นวันนั้นตอนบ่ายวันนั้นนายโสธิยะได้ยำนำหญ้าคานายโสติยะคงจะไปเกี่ยวหญ้าคามาบแล้วก็หากหญ้าคาผ่านมาแปดกำ ม, มือเนี่ยคงจะข้างละสี่เออข้างละสีกรร่กำมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้หญ้าคามาแล้วก็เกลี่ยลงที่โคลนต้นโพเออจากนั้นพระ อ, องค์ก็ขึ้นไปนั่งสมาธิ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันพระพักไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารั้วหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าในวันตัดสู้ธรรมในวันนั้นแต่ส่วนอื่นท่านทำมาบําเพ็ญยังไงมากมายหลายอย่างแต่วันที่จะได้ตัดสู้ธรรมนั้นท่านทําอย่างนี้ คือท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าคือไม่ได้คิดไปอดีตไม่ได้คิดถึงเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนไม่คิดแล้วก็คิดวันพุ่งนี้มัมนรุนนี้ไม่คิดให้ใจอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เอให้มีความรู้สึกอยู่ในกายอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะอยู่ในลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรั่วาหายใจออกเมื่อพระองค์ไม่ได้ส่งจิตไปกระสับกระส่ายไปทางไหนพระไทยของพระองค์ความรู้สึกของพระองค์รวมเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งในขณะนั้นเมื่อวรวมเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วจิตใจของพระองค์เกิดญาณทัศน์เกิดฌานนั่นคือความรู้สึกความรู้พิเศษเกิดขึ้นมาอีกในจิตในขณะที่จิตสงบนั้นเกิดความรู้พิเศษ ในขณะที่จิตของพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบนั้นเมื่อความรู้พิเศษเกิดขึ้นในพระ อ, องค์พระ อ, องค์น้อมความรู้สึกนั้นไปในอดีตไปในอดีตคือเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนและกันห ล, หลายชาติที่บำเพ็ญมาพระ อ, องค์ได้บาเพ็ญมาด้วยเหตุใยจึงได้มาอยู่จุดนี้เดี๋ยวนี้ได้บาเพ็ญที่ไหนพบไหนชาติไหน พระพุทธเจ้ารู้หมดเพราะว่าท่านมีญาณทัศนะอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะเป็นวิวสัยของพุท ธ, ธะจากนั้นพระองค์จึงบอกได้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะว่าวิญญาณคือนามธรรมคือใจดวงนี้นะ่ะมาเกิดในภพภูมิต่างๆพระองค์ได้ตรัสรู้รู้ได้ด้วยพระองค์เองนะอันนี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัท ควรจะทำอย่างที่พระพุทธเจ้าถ้าพวกเราสงสัยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญให้นั่งสมาธิทำจิตใจให้รวมสงบลงเป็นหนึ่งพวกเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจนั้นรูปประทับกระนำประทับกายกับใจนั้นอาศัยกันอยู่มิใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่รูปประทและนามธรรมาเพราะนั้นนี่แหละคือทางพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญแล้วตายแลสูญ ตายนั่นก็คืออะไรคือร่างกายเนี่ตายแตกตายสลายแน่นอนอย่างพวกเราไปเผาศพเออแล้วไปเผาศพอีกนั่นแนหะอันนั้นคือร่างกายตายแน่ตอนส่วน จ, จิตใจออกจากร่างแล้วไปไปสู่ภพภูมิต่างๆไปเป็นผีสิอาพูดง่ายๆนะออกจากร่างกายนั่นแหะใจดวงนั้นไปเป็นผีเหมือนกันนะเลยคือวิญญาณพอตอนหัวค่ํานี่ยปุบเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้คือชาติที่แล้วเป็นอะไร แห่ชาติก่อนนั้เป็นอะไรหลายๆลหมื่นหลายหายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติเป็นไงพระองค์รู้หมดแต่นี้พอถึงเที่ยงคืนพระองค์นํามาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปอีกว่าใจนี้มันเป็นมาอย่างไงอันนั้นท่านได้สำเร็จจุดูป่าตยานคือการจุดติลึกการเกิดการตายของสรพสัตว์นี่มาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนอันนี้พระองค์รู้ เรื่องวิญญาณวิถีวิถีทางเดินของวิญญาณคือวิถีการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิถีทางเกิดการตายของพระ อ, องค์ด้วยท่านมองดูรู้รู้หมดอันเนกวจุตูป ป, ปตาตะยานและการที่สรรพสัตว์มาเกิดที่นี่เข้ามาด้วยอะไรออกจากที่นี่แล้วไปเกิดทําไมไปเกิดที่สูงที่ต่ํามนุษย์ทําไมจึงไม่เกิดเสมอกันไม่รวยเสมอกันไม่สมบูรณ์เสมอกัน S <S <an> บางคนก็หูหนวกตาบอดพิโกงพิการมากมายหลายอย่างแต่บางคนก็โง่ฉลาดเป็นบ้าใบ้เสียจิตก็ต่างกันอีกพระพุทธองค์ได้พิจารณาดูวิถีการของชีวิตทําไมยังเป็นอย่างนั้นพระพุองค์รู้ได้ว่ากรรมกรรมคือการกระทําถ้าคนไหนทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลพาจิตตัญิญาณดวงนั้น ไปสู่สุขคติไปสู่ทางบาปไปสู่เป็นเป็นคงพิคงพิการแล้วพระพุทธองค์ก็พิจารณาด้วยว่าทําไมคนเดี่ยเหล่านั้นเกิดมาแล้วอายุสั้นก็มีอายุยืนก็มีถึงจะอายุยืนโรภคภัยไข้เจ็บก็มีทําไมพระพุทธองค์ก็ได้ดูย้อนไปดูในอดีตชาติของคนคนนั้นว่าเออคนคนนี้ เกิดขึ้นมาแล้วอายุยืนแต่ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเพราะเหตุใดพระองค์บอกในอดีตชาติของเขาเขาขาดศินห้าข้อที่หนึ่งคือปานาติปาตาเวรมณีในอดีตชาติของเขาเขาชอบรังแกสัตว์ชอบเบียดเบียนสัตว์แต่ไม่ถึงกับฆ่าเพราะนั้นร่างกายของเขาเกิดมาพบนิชาตินิบาปกรรมของเขาที่เขาได้ทำเอาไว้มา ให้ผลในชาตินี้เขาจึงเก็บไข้ได้ป่วยทุบพลภาพไม่รูว่าพาไม่รูาา้ก่กี่ครั้งตัวกี่ครั้งเพราะเหตุไรเพราะอดีตชาติของเขาเขาทำกลัมไว้ไม่ดีอชอบรังแกสัตว์แต่ถ้าว่าผู้ใดชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกิดมาอายุไม่ยืนเด็กคนนั้นเกิดมาแล้วก็ไม่นานก็ตายแล้วก็เกิดมาอีกแล้ว ก, ก็ตายอีกเพราะพระองค์บอกว่าที่คนตายอย่างนี้เพราะว่าในอดีตชาติเขา คือเขาฆ่าสัตว์เขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นสัดอื่นเขายินดีในการฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นเกิดมาพบนี้ชาตินี้เขาจึงมีชีวิตชั้นไอั น, นี่แหละคือจุดตูตตปปาตาญานพระพุทธองค์รู้ว่ากลัมของสรรพสัตว์เป็นมาอย่างไรจนตรอด ถ, ถึงว่าอธินาทานถ้าว่าใครชอบขมโมยของคนอื่นเขาเกิดมาพบนา่าชาติหนาเอาของไปไว้ที่ไหนคนก็ชอบขมโมยคนก็ชอบรังแก่ ชอบเปลี่ยนเปลี่ยนคนคนนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองทําไม่ดีไว้ในอดีตอดีตชาติที่แล้วชอบขโมยของคนอื่นเขาเอมีอะไรก็ฉับฉวยของเขาอย่างนี้แล้วก็สินข้อกาเมสุมิจฉาจาราวีรมณีเกิดพบที่แล้วพวกเราไม่ครบสิทธิสามีภรรยาคนอื่นเขาเกิดมาพบนี้ชาตินี้ลูกเต้าเหล้าหลานพูดอยาก ออกนอกลู่นอกทางไม่อยู่ในกรอบพ่อแม่แนะนําสั่งสอนยังไงดื้อด้านไปหมดเพราะเหตุใดเพราะตัวเองทํากรรมไม่ดีไว้ในอดีตเนี่สิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ท่านรู้ได้หมดเพราะฉนั้นท่านจึงบัญญัติศินให้พวกเราได้ศึกษาและเรื่องทานเลยพระพุทธองค์บอกว่าคนที่เกิดมาพบนี้ชาตินี้ร่ํารวยเนี่ยทำมาค้าขายจเจริญ ง, งอกเงยขึ้นมาได้เพราะอดีตชาติของเขาเขาได้ทําบุญ สร้าบุญสร้างกุศลแต่ผู้ที่เป็นเศรษฐีอย่างนี้อดีตชาติของเขาได้ทําบุญกับพระปฏิเจกพุทธเจ้าหรือได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าหรือพระปฏิเจกหรือพระอรหันต์ท่านพูดออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างท่านยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างพราหมณ์ท่านหนึ่งท่านเป็นโรหิตษีพรหิตก็คือเป็นองค์ข้ามนตรีของพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ขึ้นไปทํางานใน ที่ทำงานของท่านทุกวันแต่วันนั้นท่านเดินเข้าไปในตลาดไปเห็นพระปิจเจกพุทธเจ้ากําลังเดินบิณฑบาตคนก็ไม่ใส่บาตรพระปิจเจกก็เดินเหมืนเดินปุโรหิตคนนั้นท่านก็ประกาศขึ้นมาว่าเออเออนี่พระปิจเจกบิณฑบาตเออใส่บาตรเออลูกหลานเออใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตรเงี้ยใส่บาตรพระปิจิตรแต่ตัวเองไม่ใส่นะตัวเองไม่ได้ใส่แต่ประกาศให้คนอื่นใส่คนอื่นก็เออปโรหิต ท่านประกาศแล้วบอกให้พวกเราอยู่ข้างๆอยู่ใกล้ๆนี่กับพวกเราก็น่าจะทําบุญกับพระปฏิเจกเขาก็เลยเอาอาหารมาใส่บาตรพระปฏิเจกชวนพราหมณ์คนนั้นพอพูดจบแล้วก็คิดในใจเหมือนนคิดในใจเฮ้ยสัมภณะหัวร้อนเนี่ยห่มผ้าเหลืองเนี่ยกินแล้วก็ไม่ได้ช่วยบ้านช่วยเมืองอะไรกินแล้วกันไปนอนตีพุงอยู่ในป่าไม่ได้สร้าง ไม่ได้ทําประกอบอะไรคุณงามความดีอะไรไม่ได้ช่วยบ้านช่วยเมืองอะไรเพราะตัวท่านเองเนี่ยเป็นปโปรหิตธชนะเนี่ท่านก็สร้างทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเนี่ยท่านกว่าดท่านหนักมางั้นน่ยคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆช่วยเหลือพระเจ้าแผ่นดินของท่านในยุคนั้นพอเสร็จแล้วท่านก็เดินขึ้นไปทํางานท่านก็มาได้ทําบุญมีแต่ประกาศให้คนทําบุญ จากนั้นมาพอตายจากชาตินั้นนชาติที่เป็นพระโลหิตเกิดมาพบหน้าชาติหน้าท่านเป็นคนรวยนะท่านพระโลหิตนะวิญญาณดวงนั้นเพียงประกาศให้คนทําบุญวันนั้นคงพระปฏิเจรคงท่านออกจากนิโรธสมาบัตินะ่ะคนก็ทําบุญท่านก็รวยรวยอย่างมากเลยแต่ไม่กล้ากินไม่กล้าใช้เพราะเหตุอะไรพอกินใช้เข้าไปเนะ่ยเสียดายของเามั้นกันเถอะเป็นทุกข์ใจเลยท่าน ถ้ากินท้าใช้ถ้าให้คนอื่นเป็นทุกข์ใจไม่สุขใจเลยเหมือนกันเลยจากนั้นก็ไม่กินไม่ใช้ล่ํารวยโอ้โหโลนฟ้าผลที่สุดชาตินนะั้นก็ตายไปพอตายไปมาเกริกเกิดปีกรวยอีกไม่กล้ากินไม่กล้าใช้ขนาดน้ําส้มผักกลุ่มเนะ่ยจะกินเนื้อผักกุมก็เสียดายเอาไปขายไปเอากินน้ํามันกินน้ำส้มผักกลุ่มข้าวสารนี่ทั้งที่เขาตำ ม, มา ข้าวสวยข้าวงามๆไม่กินกินข้าวที่มันหักข้าวหักที่เขาโยนข้าวหานให้ไก่เป็นไงมีตะเล็กหน่ะอยเอามาต้มใส่น้ําผักกุ่มอันนั้นคืออาหารอาหารหลักของเขาเชือผ้าเขาใช้เพื่อผ้าขาดขาดที่เขาไม่ขายไม่ออกแล้วเอเศษฐีเอามาใช้จะไปใช้ดิบดีอะไรเอามาห่มเฉยๆเอามาหนุ่งเฉยๆเอเพียงแต่ปกปิดร่างกายอเท่านั้นก็พอแล้วจะไปใช้อะไรดีนักหนา ถ้าร่องร่มขาดขาดรองเท้าขาดขาดยานพานะที่นั่งไปก็แปลว่าจำรติชุดโจมเถึงแหลไม่ถึงแหล่เนีนั้นคือเศรษฐีใช้คือเขาเสียดายทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะไม่ใช่สมบัติของเขาเนี่ยพอกการทําบุญเขาประกาศให้ตักบาตรเนร่าตักบาตรเนร่าคนไปตักบาตรแต่ตัวเองก็มาคิดอีกมุมหนึ่งผลที่สุดพออเนกสงประกาศให้คนทําบุญตัวเองก็รวยพอรวยขึ้นมาแล้วก็ ในใช้ไม่ได้เพราะไม่ใช่สมบัติของตัวเองตัวเองไม่ได้ลงมือเองตัวเองไม่ได้ทําเองผลที่สุดก็เนี่ะเกิดมาทั้งเจ็ดชาติชาติเนี้ยเป็นชาติจุดท้ายที่ทมาเกิดในกรุงสาวัสถีกรุงสวัสดีเกิดขึ้นมาชาตินี้ก็รวยอีกเหมือนกันเป็นเศรษฐีแต่ว่าเป็นคนขี้ตนีไม่มีลูกลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต่างคนก็ต่างเอ่พวกที่ญาติพี่น้องเข้ามากับใครวัด ถ, ถือว่าเป็นญาติ แปลว่าขับไล่สายสงหนีหมดว่างั้นเถอะบังคับไม่ให้มาอยู่ใกล้ใครๆถ้าว่าจะเป็นญาติเพราะเหตุไรเพราะกลัวเขาจะมาแย่งสมบัติของตัวเองไม่มีญาติมิตรไม่มีญาติโกโหติกาเลยว่างั้นเถอะมีแต่คนบริษัทบริวารกินเงิน เ, นเดือนตามปกติจากนั้นคนขี้ตีขนาดนั้นก็อย่างที่ว่านั่นนะกินน้ําส้มประกุ่มใช้ของขัดขาด ถ้าาเอาเอาสงเคราะห์คนอื่นแล้วเสียใจทุกใจในการให้คนเหมือนกันถ้าเก็บไว้เนะี่ยสบายใจเศรษฐีคนนั้นจากนั้นเขาก็ตายอีกเหมือนกันนะคนขี้ตะนีขนาดนั้นผมคิดว่าจะอยู่อายุยืนยาวไม่ตายไม่เป็นไม่ใช่นะตายเป็นเหมือน ก, นกันกับพวกเราท่านทั้งหลายเนมะือนกันแต่ เ, เกิดมาแล้วตายนมนุษยนะ์พอตายไปแล้วทีนี้พระเจ้าปัดเสียก็ประกาศว่า นี่เศรษฐีตายไปแล้วใครเป็นทายาทใครเป็นทายาทของเศรษฐีไม่มีใครเป็นทายาทถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ก็คงจะไม่อดแล้วนะเอที่จะขอเป็นทายาทเศรษฐีพระเจ้าพระเศสน์สืบสอดดูแล้วไม่ใช่ญาติก็คงจะตัดคอทิ้งลงกันแต่แต่สมัยนะั้นคนซื่อสัตย์และคนกลัวอีกต่างหากไม่มีใครที่จะยื่นมาเป็นญาติของเศรษฐีประกาศเท่าไหร่ก็ไม่มีถึงเจดวัน พอเจ็ดวันพระเจ้าปเสนเกิดเอาเกวียนไปบรรทุกเอาสมบัติของเศรษฐีที่อยู่ในสุน บ, บ้านของเศรษฐีที่อยู่ในคลังของเศรษฐีขนมาไว้ในคลังหลวงขนทั้งเจ็ดวันขนเงินขนทองขนสิ่งขน ข, นของขนมาไว้ในคลังหลวงเจ็ดวันในขณะที่ขนของพระยาปเสนก็ไม่ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตตะวันเพราะติดธุระ ต้องต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเงินทองที่ขนมาจากบ้านเศรษฐีล้นแล้วแต่ของมีคุณค่า เ, เก็บพกคลังหลวง เ, เมื่อเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าประเสนก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าในวันที่เจ็ดตอนบ่ายพระพุทธองค์ก็ถามว่ามหาบพิษไม่เห็นมานานหายไปไหนพระเจ้าปเสนก็ว่าหมอมฉันไปขนสมบัติเศรษฐี ที่เขาเมลานะพาไปไม่มีทายาทหมอมชันก็เลยไปขนเอามาไวเอาเข้าคลังหลวงทั้งเจดวันเกวียนทั้งห้าร้อยเล่มพระเจ้าค่ะขนเจ็ดวันเพิ่งเสร็จในวันนี้พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าเศรษฐีเนี่ยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้วเขารวยมาเจ็ดชาติติดติดกันแต่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บุญกุศลที่เขาประกาศให้คนทําบุญนะหมดแล้วในหมดในชาตินี้ในชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแนตะ่ต่อไปแล้วก็ เ, เป็นวิญญาณไปธรรมดาแล้วเหมือนไม่รู้จะไปทางไหนนะแต่ชาตินี้เขาจะต้องตกนรกก่อนนะเพราะเหตุไรเพราะว่าหลานลูกพี่ชายของเขาเออเอามาเลี้ยงเพราะตัวเด็กๆเนี่ยเดินตามหลังมันข่าว่านี้เป็นสมบัติของพ่อของผมนะสมบัติของ พ่อของผมนะพูดเท่านั้นขนาดหลานพูดตัวเล็ ก, ลกพูดขนาดนั้นเขาเลงยังเขายังเอาไปบีบคอไปฆ่าไว้ที่ป่าช้าผีดิบไปงั้นเนี่ยแหละบาบกรรมของเขาตัวนี้เขาฆ่าคนออกจากชาตินี้เขาจะตกนรกก่อนอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วหนึ่งไม่มีสองเหมือนกันนะเพราะนั้นท่านจึงรู้ได้ว่าใครทํากรรมอันไหนไว้คนนั้นจะต้องได้รับกรรมกรรมนั้น กรรมมุนีาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้ที่พระพุทธเจ้าได้ท่านได้ตรัสไว้เพราะฉะนั้นกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลเมื่อภายหลังถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลคนนั้นดวงวิญญาณนั้นนี่แหละคือหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนวันเนี้ย จุปะปะปะตะูปปาตาญาณการจุติของสรัพสัต ท, ทั้งหลายเป็นมาอย่างไงเป็นไปยังไงเพราะพระองค์รู้หมดวิถีทางเดินของวิญญาณจิตวิญญาณวิถีชีวิตของคนคนได้ดีเพราะเหตุใดคนไปทางชั่วเพราะอะไรเพราะกรรมกรรมคือการกระทําของเขาการกระทําของเขาไม่เหมือนกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในภพนี้ชาตินี้การทำำํากรรมการคิดการพูดการกระทําไม่เหมือนกันการทำำํากรรมทําไร้กี่ทางเลย การทํากรรมทำรายสามทางอกายกรรมคือการกระทําทางกายคือฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกามเอแล้วก็ดื่มสุกาอันนี้ก็คือกายกรรมวิจีกรรมพูดเช็ดพูดส่อเสียดพูดคาหยาดพูดเพ้อเจอ้อพูดดูถูกเกลกียดใจคนอื่นพูดเอไม่ดีต่อคนอื่นเขาเอการพูดไม่เป็นสัมมาวาจา อันนี้ก็คือเป็นบาปกรรมเข้ามาทางวาจาและกระจของเราใจของเร า, เราคือนึกคิดพยาบาทอาฆาตคนอื่นเขาเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมอันนี้ก็คือเป็นบาปทางทางใจมโนกรรมกรรมกระทำโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายของเขาเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมอันนี้ก็คือการคิดทางใจเพราะนั้นการทำกรรมกรรมชั่วกรรมดีเข้ามาทั้งสาทางเหนกัน ถ้าคิดไปในทางที่ดีคิดไหว้พระสวดมนต์คิดทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลก็เข้ามาสู่จิตใจตถ้าเราทำกรรมคือมาไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลมาทำประโยชน์ต่อประเทศชาติสร้างโรงพยาบาลส ร, ร้างโรงเรียนเอาปัจจัยถวายด้วสงเคราะห์อนุเคราะห์คนที่ด้อยกว่าพวกเราอันนี้ก็คือการกระทาทางกาย และการนะการแนะนำสั่งสอนคนอื่นให้รู้จักตีรู้จักชั่วรู้จักบาปปูนกุลโทษอย่าไปทำเนะ่ให้ครบบปดามันดาให้ครบรวัยวุฒิคุณวุฒนะอย่าไปดังเกียรติเดียดสันพ่อแม่ของเรานะคือพยายามแนะนำสั่งสอนคู่คนทั้งหลายให้รู้จักหน้าที่ให้รู้จักความรับผิดชอบในตัวแต่ละคนอันนี้คือคือสัมมาวาจาการแนะนำในในสิ่งที่ถูกต้อง ในการแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องกว่าดีในการกระทาที่ถูกต้องกว่าดีในการคิดที่ถูกต้องกว่าดีนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลจะนำพวกเราไปสู่สุขปฏิอย่างน้อยเมื่อออกจากพบน้ชาตนี้ตายจากชาตินี้แล้วก็ไปสู่พบภูมิไปเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์โดยแข้งโดยขาไม่พิกลพิการสติปัญญาของเราพะเราเป็นผู้ทากรรมดี ถ้าวามากเานั้นก็นไปสู่สวรรค์ชั้นผมถ้า ท, รรรจรรทาจ ร, ร, จริงๆชำละกิเลสโลภโกรดหลงออกจากจิตใจก็ได้เป็นพระหันในพบนี้ชาินี้เพราะเหตุไรเพราะการ ก, กระทาเพราะกรรมคือการกระทำเพราะนั้นพระพุทธองค์จริงหลักของกรรมเป็นเรื่องใหญ่ามากสำหรับสอนพุทธบริษัท4พระพุทธองค์ในตัดรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนตัสรู้จุตูปปาตยาน การจุดติของสรพสัตพระองค์รู้ได้ด้วยพระองค์เองนี่แหละจวนสว่างพระองค์ก็รู้ได้ตแตสรู้ทำไหมว่าอาสาวะคยะยานญานอย่างรู้ว่าจิตวิญญาณตรงนี้ใจตรงนี้มาจากไหนที่มาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆมารับบุญมารับกุศลมารับบาปมารับบุญมันอยู่อย่างนี้เพราะมาจากไหนพระองค์ก็ได้พิจนารณาค้นคว้าไปอีกปฏิจจสมุค ปฏิจจสมุบาทพระองก์ย้อนย้อนดูวอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณังมันออกมาจากอาวิชชาคือความไม่รู้คือความโ ง, ง่ไม่เลยกว่านั้นพอไ ป, ปถึงจุดนั้นวิญญาณออกมาจากความโ ง, ง่มาจากความไม่รู้อวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจานามรูปัง จนถึงโศกะปริเทวทุกขโทมณฑุใครข้าวที่พวกเราร้องให้รัยรำพันทุกโศกอยู่ทุกวันนี้ออกมาจากตัวไม่รู้คือตัวอวิชชาะฉะ น, นพระองค์ได้เห็นจุดนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ใช้ศีลสมาธิปัญญากือตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมักแปะจการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลพระองค์พระองค์จึงได้ตรัสรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพลนวันนี้นตอนจวนสว่างเมื่อได้ตัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ก็ประกาศออกมาเลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทําให้เรามาเวียนไหวตายเกิดนั่นคือกิเลสราคะโทสะโมหะโลกโกรธหลงนั้นเราสกัดออกหมดแล้วยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์อมตะธ า, าตาุอมตะธรรมธรรมอันบริสุทธิ์ ได้ผดขึ้นมาจากความรู้ของเราแล้วเหมือนแต่ก่อนเราไม่รู้หนังสืออย่างนี้กอไก่ขอไข่เราก็ไม่รู้แต่บัตรนี้เราได้รู้แล้วเราเรียนรู้แล้วเรื่องกอไก่ขอไข่บัตรนี้ความโง่ของเราที่ไม่รู้มาก่อนนะั้นตกออกไปแล้วนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรูท้ทำในวันเดือนหกเพลนให้พวกเราลูกหลานคณนธสัตธาญาติโยมทั้งหลายนะค้นคว้าศึกษา แล้วนํามาประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วก็คือเบื้องต้นว่าหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรที่ท่านออกไปบําเพ็ญอยู่ในป่าในวันเดือนหกเพ็นนั้นท่านนั่งอย่างไงนั่งขัดสมาธิอย่างไรบริกรรมอะไรมีสติสัมปชัญญะในขณะที่นั่งจิตของพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตของพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานและลึกชาติขนหลังได้รู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองว่า นามธรรมกับรูปธปรรมนั้นอาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถนคนขับรถก็คือนามธรรมรูปธรรมก็คือรถแต่อาศัยกันอยู่แต่ถ้าว่าพวกเราไม่นั่งสมาธิไม่ภาวนาเราจะไม่รู้แต่ถ้าเรานั่งจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่านามธรรมกับรูปธรรมนั้นเป็นคนละอันกันตัวนามธรรมนตัวนั้นแหละ จะไปในภพภูมิต่างๆจะไปเวียนไหวตายเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่นามธรรมดวงนั้นบุญกุศลจะเข้าสู่นามธรรมดวงนั้นบุญกุศลที่พวกเราสั่งสมในวันนี้รักษาศีลให้ทานภาวนาอย่างนี้เป็นของละเอียดแต่ไปเพิ่มพลังให้แก่ดวงวิญญาณคือใจดวงนั้นดวงใจวิญญาณดวงนั้น มีบุญมีกุศลเข้าสู่ตัวเองแล้วมีพลังคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรเป็นบุญเป็นกุศลสําเร็จรุ่งร่วงไปหมดเพราะคนมีบุญแต่คนมีบาปเข้าไปแล้วทําอะไรหุดๆลุดลุยๆไปหมดเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราสัตยา ญ, ญาิโยมทุกท่านนะ อ, อย่าทําในสิ่งที่มันไม่ดีกรรมชั่วอย่าทําเสียดีกว่าอย่างหลวงพ่อได้พูดเป็นพระบาลีขึ้นมาท่านก็ยกเป็นพระบาลีขึ้นมาว่าอากตังลุ ก, กตังเสยโย ปัจฉาตปติทุกตะตังกรรมชั่วอย่าทํำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังนี่แหละพระพุทธองค์ท่านได้ตัดรู้ทำ น, นะท่านรู้ได้ว่ากรรมชั่วกำรีเกิดมาจากที่ไหนมาจากมันมีกี่ทางมนโนกรรมโลบอยากได้ของเขาพยาบาทปองไายเขาเห็นผิดจากทํานองครองทำอันนี้คือทางใจแล้วก็กายกรรมฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม ดื่มสุราเนี่ยอันนี้คือกายกรรมคือการกระทําทางกายวิยจีกรรมคือบาปกรรมที่ทําทางพูดโกหกเขาต้มตุนหลอกลวงเขาแนะนําเขาในทางที่ไม่ถูกต้องให้เขา ด, ด่าเขาพูดเกลียดชังคนอื่นเขาแนะนําให้คนอื่นเทะเลาะกันกบ้างตัวเองด่าคู่คนทั้งหลายบ้างคือการกระทําทางวาจาวาจาเป็น ไม่ใช่สัมมาวิจาร์เป็นมิจฉาวาจาเหมือนการพูดที่ไม่ถูกต้องก็เป็นบาปเป็นกรรมเข้ามาหาใจตรงนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้คณะจัตตารญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้มุ่งมั่นในศีลในธรรมอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องมันเดือดร้อนตนและผู้อื่นถ้าทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนถ้าเราคิดทาคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาสามีภรรยาก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันถ้ามันจะผิดใจสามีถ้าผิดใจเราก็ผิดใจสามีถ้าผิดใจเราก็ผิดใจภรรยาถ้าไม่ถูกใจเราก็ผิดใจลูกลูกกับพ่อกับแม่ก็เหมือนกันแต่ถึงยังไงต้องยึดหลักกลางเป็นหลักคือหลักกฎหมายคือหลักธรรมแต่จะให้ถูกใจทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ นี่ทุกคนชอบกินเหล้าอย่างนี้นกินเหล้ามันได้อะไรเนี่ยมันเสียหายนะกินเหล้าเนี่ยเพราะเหตุไรเพราะทำคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้ากินเหล้าเข้าไปแล้วมันขาดสติเนีส่งเสริมในการกินดื่มสุราเข้าไปแล้วมันขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายในทุกอย่างอันนี้เราก็ยึดทำคําสอนของพระพถึงเจ้าจะชอบในการดื่มขนาดไหนเนี่ยก็ตามเราก็ต้องห้ามกันเอาไว้ว่าดื่มเข้าไปแล้วขาดสตินะ ถ้าขาดสติแนละ้วทำความชั่วนะเสียหายนะกว่าจะเสียหายกว่าจะรู้ได้บางทีเขา้าคุกเข้าตลางไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงล้มหายตายไปแล้วเพราะเอเหตุอะไรเพราะน้ำมือของเราที่คนขาดสติเราก็มาเสียใจเมื่อภายหลังและจะเกิดประโยชน์อะไรในเมื่อมันเสียหายไปแล้วเนี่ยอันนี้แหละคือสรุปแล้วก็คือให้พวกเราท่านทั้งหลายถึงจะชอบทาสิ่งนั้นแต่เราก็ ยึดทำคำสอนหรือว่ากฎหมายบ้านเมืองมาเป็นเครื่องนำมาเป็นเครื่องประกอบว่าทำสิ่งนี้มันถูกใจเราชอบใจเราเแต่ชอบใจทุกคนแต่ว่ามันไปเดือดร้อนคนอื่นเขาก็ไม่ควรจะทำสิ่งนั้นเพราะนั้นทำคำสอนของพระพยยรุทธเจ้าทุกอย่างที่เรามาพิจารณาดูการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นประเทศชาติูร่วมกันเป็นทั้งโลกเนี่ย ถ้าเราพูดง่ายๆก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไปเบียดเบียนเขาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาเขามาฆ่าพ่อฆ่าแม่เราเนี่ยใจเขาใจเราเลยเราไปเผาบ้านเขาเขามาเผาบ้านเราเราไปป้อนเขาเขามาป้นเราล้วนแล้วแต่มันไม่ดีทางนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าทำกล้อที่มันไม่ดีเทา ใจเขาใจเราถ้าพวกเราได้เอาธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงาหรือเป็นแนวทางหรือว่าเป็นเครื่องชี้นําหรือเป็นเครื่องดําเนินของชีวิตแล้วชีวิตของพวกเราจะราบรื่นนะรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักคุณบิดามารดารู้จักวัยวุฒิคุณนวุฒรู้จักคุณประเทศชาติบ้านเมืองรู้จักเขารู้จักเรา จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ทั้งว่าเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ใครเห็นว่าตัวเองถูกทั้งนั้นโลกทั้งโล ก, กเดือดร้อนนะ่วันนี้ให้แนวความคิดแก่คณะทาญาติโยมที่มาวันวิสาขาบูชามานั่งฟังที่หลวงพ่อได้กล่าวสมโุทนิยกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาต่ตอ น, นี้ไปขอให้คณะทธาญาทโยมทุกท่านอุทิศส่วนกุศล เพราะพวกเราวันนี้นานทีพวกเราจะได้มาทําบุญกับพระสงฆ์แล้วก็ให้น้อมจิตุทิ่ส่วนกุศลต่อบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีอุปกรารคุณสำหรับพวกเราทั้งหลายตลอดถึงภูมิมะลุคเทวดาพวกเราเกิดมาไม่ใช่เกิดมาในชาตินี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดมันมีอดีตชาติในอดีตชาตินั้นพวกเราก็เกิดมีพ่อมีแม่ มีวงสาขาญาติเหมือนกับชาตินี่แหละดวงวิญญาณเหล่านั้นในชาติที่แล้วอาจจะตกทุกข์ได้ยากอยู่พวกเราได้ทำบุญในพระพุทธศาสนากออ็ดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งอดีตอดีตชาติปัจจุบันนชาติเขาขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ฆ่าด้วยเทินคิดอย่างนั้นในจิตในใจนะตอนนี้ไปรับพรเถิด